ใจดวงหนึง่งมีได้เพียงแค่ความคิดเดียวมีสุขมีทุกมีหัวเราะหรือร้องไห้อยากจะให้ใจเราเป็นอย่างไรก็ทำใจของเราให้เป็นอย่างนั้นเองในใจฉันมีพระแก้วใส ไม่มีสุขใดจังมาเปรียยปไปดังสุขในอายาตนานิพายฉันเบิกบานสรา สุยทุกทุกๆคน แบ่งปันความสุขให้ทุก